หวังว่าเนีเวลาเรากลับบ้านเนี่ยแม้แต่เรื่องอาหารการกินต่างๆเรากลับไปแล้วเราก็ต้องรู้นะกินให้มันพอเหมาะนะพอดีบอกแล้วนะไม่ต้องกลมกลืนกับสถานที่เขามากนากักอะนะเอาก็เออบางอย่างอนุโลมบ้างมันจําเป็นนะบางทีเพราะว่าบางทีกลับไปเนี่ยเจอพ่อแม่บางทีเขาก็อยากจะให้เรากินอย่างนั้นกินอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นห่วงอ่ะโอ้มาอยู่วัดนี้กินมือเดียวเหรอ นะโอ้ไม่กินเนื้อสัตว์เลยบางทีเขาเป็นห่วงเรามากๆอาจายังจําได้เลยอ ต, ตอนอตาตมากินมื้อเดียวใหม่ๆว่าโยมแม่มาห่วงมากเลยตอนเย็นตอนเย็นเนี่ยก็ไม่กินอะไรใช่ไหมโยมแม่เขาก็ต้องพอเอาเอ า, เอาตอนแรกก็เอาพวกข้าวเอาพวกอะไรเงี้ยจะมาให้กินอตาตมาก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่กินท่านก็ท่านก็เลยพอเห็นว่าเราไม่กินพวกข้าวไม่กินพวกของกบเคี้ยวใช่ไหมก็เลยเอาน้ํามาให้เรา อ้อัตมาก็เลยบางบางครั้งตอนใหม่ๆก็เลยเ อ, อ, อนุโลมบ้างอะไรบ้างนะเฉะพาะแค่น้ำอัตมาก็อนุโลมบ้างแต่พอตอนหลังๆเนี่ยอนุโลมไปสักระยะหนึ่งแตหลังก็เลิกก็ไม่อนุโลมคือมันก็จริงว่าบางครั้งอัตมา ก, ก็เห็นว่าเออ้เราจะไปแข็งเกินไปมันก็บางทีทําให้ท่านไม่สบายใจอามากๆาทีเราก็อนุโลมบ้าง แต่ว่ามันจะต้องมีขีดมีขั้นตอนว่าอนุโลมไปแค่นี้นะให้มันดูพอดีพอเหมาะแล้วให้รู้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าเราอนุโลมไปเพราะว่าใจเรามันอยากจะกินหรือว่าอยากจะไปเป็นอย่างนั้นแต่เราอนุโลมเพื่อคนอื่นเขาให้ชัดเจนอย่าไปหลอกตัวเองนะไม่งั้นเหมือนหลายคนอะ่ะปรากฏว่ากลับไปบ้านนี่เขาชวนอะไรอนุโลมหมดทุกอย่าง เขาชวนเรื่องกินเออนนเออวนชวนะกินอ่าเขาชวนดูหนังเออชวนชวนนะดูหนังอ่าเขาซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่มาฝากให้อะไรต่ออะไรเยอะแ ย, ยะไปหมดก็เออเออวนชวนกองฝากเดี๋ยวเอาไปวัดเดี๋ยวอะไรต่ออะไรเงี้ยนะทึ่งบางทีบางอย่างเนี่ยมันมันก็ไม่เหมาะหรอกที่จะมาวัดเงี้ยเราก็ต้องรู้จักที่จะเออปฏิเสธบ้างบางๆๆอย่างบางอย่างเห็นว่าเออพอเป็นไปได้ที่เราจะรับมาได้เราก็รับ ไม่ใช่ว่ารับมาทั้งหมดทําเป็นพระไปได้ทําเป็นพระที่เขาชอบพูดว่าปฏิเสธโยมไม่ได้เดี๋ยวโยมไม่ศรัทธาขาดศรัทธาพระไม่ขัดศรัทธายมมันน่าเกลียดอะไรเงี้ยนะเราอย่าไปยึดขตินั้นขตินั้นไม่ถูกต้องจริงมีมีชาดกอยู่บางเรื่องเนี่ยธรรมายังไม่ได้เอามาสอนพวกเราโอ้โหพระเจ้าท่านขัดศรัทธาไล่ลําดับลงมาเลย เป็นเรื่องชาดกนะไล่ลงมาเรื่อยเลยเป็นลำดับลำดับลำดับนะออกมาเข่าหนะ้เาเดี๋ยวรอก่อนสิจะเย็นเย็นะอันนี้ก็เนี่ยขยายให้ฟังว่าว่าโดยเฉพาะเนี่ยแหละตอนที่ไปบ้านเพราะว่าไปที่อื่นเนี่ยที่ไม่ใช่บ้านเนี่ยนะบางทีเราไปที่อื่นเป็นคนอื่นเนี่ยเรายังมีความเกงใจอยู่บ้าง แต่ถ้าไปบ้านเนี่ยมันหนึ่งคือบางทีมันติดความเคยชินเก่าๆอ่ามนเลยทำให้เราเนี่ยจะปล่อยเปรตได้ง่ายสองก็คือว่าบางทีคนทําบ้านสนับสนุนเราอยู่เพราะว่าเขารู้สึกว่ามาอยู่วัดลาบากพอกลับไปบ้านทีเขาอยากให้เราสบายเขามีตัวนี้อยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยคืออย่างที่สองอย่างที่สามก็คือว่าบางทีเขาเป็นห่วงเรานะจะเรื่องสุขภาพก็ตามหรือว่าไหนๆมา ทั้งทีแล้วเขาก็อยากจะต้อนรับเราเราอย่างดีเพราะเขามีความรู้สึกว่าเรามาดีแล้วนะเพราะพอเราไปทีนี่ก็เหมือนพากลับบ้านเลยเหมือนเหมือนเหมือนพาไปปวดโยมที่บ้านเลยแหะเขารู้สึกอย่างนั้นเขายกย่องเขาให้ค่าว่าพอเรากลับไปทีเนี่ยเขาจะบริการเรานะบางทีจะกินจะอะไรเนี่ยปกติ บ, บางทีเขากินธรรมดานะ แบบว่าอะไรอ่าก็กับข้าวธรรมดาอะไรแต่พอเราไปเนี่ยเขาต้องเสื้อ ห, หนุนเสื้อนี่เสื้ออะไรมามาเพิ่มหรือว่ายิ่งบางทีรู้กิเลสแต่ก่อนเราด้วยนะแหมว่าโอ้โหนี่ชอบกินอะไรดีอะนะกินกว๋วยเตี๋ยวราดหน้ายอดผักเอา้าแล้วแหมเขารู้หนิใช่ไหมเขาจำได้อะก็จะโอเอาเนี่ยมาให้เราเลยแต่จริงๆเขาเป็นเจตนาที่ดีเข้าใจมเพราะว่าโอ้นานานมาทีอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาจะบริการอย่างอย่างดีให้เราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้อาจารย์มันถางบอกอันเนี้ยเราต้องชัดเจนต้องแม่นยําว่าพออนุโลมบ้างพออนุโลมได้แต่บางอย่างเนี่ยไม่สมควรอนุโลมก็อย่าไปอนุโลมไม่ใช่อนุโลมมันตะพื้นตะพือไปหรือถ้าอย่างเงียบถ้ามันอ่อนเกินไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะให้ครอบครัวหรือว่าคนทางบ้านเนี่ยเขาได้ให้ให้เขาเห็นสัจจะเหมือนกันว่าจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไป พุ่มเพลยหรือว่าไม่ต้องไปอะไรอ่ะกินเยอะแยะอะไรถึงขนาดนั้นถ้าเราไปทําแล้วไปทําเหมือนปกติเหมือนแต่ก่อนเขาจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเราก็เหมือนแต่ก่อนเพียงแต่ว่าเขาดีใจที่เหมือนกับญาติที่ห่างไกลเนี่ยเออกลับมาเจอกันหรือว่าเพื่อนฝูงสนิทเนี่ยที่จากกันไปแล้วมาเจอกันเนี่ยเขาก็จะดีใจแค่นั้นเองก็เลี้ยงฉลองเท่านั้นเองก็ไม่ได้มีเรื่องของ ธรรมะหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยที่จะประทับตาตึงใจเขาเอาไปได้บ้างเลยเพราะเราจะต้องชัดเจนในเป้านี้เพียงแต่ว่าอย่าไปแข็งขืนเกินไปนักเท่านั้นตอนนี้ก็พอดีพวกฤาษีกลับมานํามาเข้าเรื่องเข่ารอบนะพวกฤาษีกลับมาใช่ไหมพระราชาก็เลยพูดกับพวกพระฤษีว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อพระคุณเจ้าทั้งหลายจะอนุเคราะห์ข้าพเจ้าโปรดพากันไปอยู่ใน สถานที่อยู่ของข้าพเจ้าเดชเถิดผู้งง่ายก็คือนิมนต์นั่นเองนะครับทรงรับปฏิญาณของฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นแล้วหมายถึงว่าพระราชาเนี่ยนิมนต์ไปแล้วพระฤาษีรับนะพอพอพระฤาษีรับคําแล้วก็พระราชาก็เสด็จกลับไปพระนครได้พระราชาทานอภัยแก่มูนกทั้งหลายคือปรากฏว่าประทับใจอ่ะ ว่าโอ้โหนกอย่างปุพภ ะ, ะเนี่ยแหมดีขนาดนี้นะจริงแม้ว่านกสติกุ้มพะจะไม่ดีก็ตามแต่ว่าตอนนี้โอ้โหรับธรรมะได้ความประทับใจก็เลยพอกลับไปถึงพระนครนี่สั่งให้ยังไงอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปทำร้ายนกทั้งหมดเลยนกไหนที่สมมติว่าจับขังไว้อยู่อะไรไว้อยู่เนี่ยให้ปล่อยให้หมดไม่ให้ไปเบียดเบียนเลยแต่เฉพาะนกนะ ฝ่าพวกฤาษีก็ได้พากันไปในพระนคร น, นั้นพระราชาทรงนิมนต์หมู่พระฤาษีให้อยู่ในพระราชอุทยานทรงอุปถัมปำรุงตลอดพชนมายุของพระองค์และแม้แต่พระราชาโอรสของพระองค์ก็โปรดให้ให้ยกสเสวตฉัดเสวยราชสมบัติสืบต่อมาก็ทรงปฏิบัติต่อหมู่พระฤาษีเสมือนพระราชบิดา คือหมายความว่าพระเจ้าปัญจาราชเนี่ยพูดง่ายว่าดูแลพระฤาษีอย่างดีเลยนะต่อไปคือเป็นโอรสเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรต่อไปก็ปฏิบัติเหมือนกับพระเจ้าปัญจาราชปฏิบัติต่อพวกพระฤาษีนะทำอย่างดีเหมือนกันในราชกุลสืบต่อมานั้นก็ได้ยังทานให้เป็นไปแก่หมู่พระฤาษีตลอดชั่วพระราชาเจ็ดพระองค์ก็หมายถึงว่า เจ็ดรุ่นน่ะลงมานะพระราชาเจ็รุ่นนี่ก็ปฏิบัติดีต่อพระฤาษีหมดพรอบรมมาสาดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วก็ตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็เป็นคนลามกมีบริวาลามกเหมือนกันอย่างนี้แล้วทรงตัดว่านกสติคุมภะในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตนี้เอง ส่วนโจรทั้งหลายได้มาเป็นบริษัทบริวารของพระเทวทัตพระราชาได้มาเป็นพระอนนท์ส่วนมูแห่งพระฤาษีได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนนกปุบพะกะได้มาเป็นเราตถาคต น, านี่ก็จบชาดกเรื่องนี้โอ้สามทุ่ ส, สทีแล้วอาตมาฝากไว้หน่อยหนึ่ง เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพูดง่ายว่าการครบมิตรนั่นเองนะหรือว่าการครบคนอื่นนะอาจจะไม่ต้องใช้คําว่ามิตรแต่ว่าคนแวดล้อมต่างๆเนี่ยที่เราจะคบคุ้นด้วยจริงๆแล้วมันแบ่งเป็นสองขั้วเท่านั้นเองคือขั้วดีกับขั้วไม่ดีนะผู้เจ้าถ้ามีพูดถึงขั้วไม่ดีว่าถ้าเราไปคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยมันจะมีโทษภัยมันจะมี อะไรอ่ะอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่จะตามมาที่ทำให้คนที่ไปครบแล้วเนี่ยจะจะเปะพลอยเป็นอย่างนี้ไปด้วยก็คือ 1. ทําทำให้เป็นนักเกรงการพ น, นันหมายถึงหมายถึงแสดงว่าไปคบพวกไหนไปคบไปคบพวกที่ชอบเสี่ยงทายชอบเอาชนะนะชอบ ได้ทัพย์มาโดยง่ายๆแบบแบบอย่างเงี้ยแบบเสี่ยงอ่ะแบบการละเล่นอะไรต่างๆไม่ว่าจะพนันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราไปติดเราไปคบเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็ติดนิสัยอย่างนี้มา 2. ทําให้เป็นนักเพลงเจ้าชูน้นักเพลงเจ้าชู้ก็แสดงว่าชอบไปคบกับคนที่บางทีเจอกันทีไรอะไรเนี่ยไม่พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องผู้ชายผู้หญิงบอกเอ้าเป็นยังไงอ่ะ นะเดี๋ยวนี้สมมติถ้าผู้ชายพูดกันนะมาเอ้าเดี๋ยวนี้เปไ็นไงนะเองมีเมียกี่คนแล้วล่ะ <c oughs> หรือว่าอะไรโอเองเคยไปเที่ยวที่โนนที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกันแต่เรื่องพวกนี้เพราะคบคบอยู่กับคนพวกนี้ในที่สุดตัวเองก็จะติดนิสยัยเพราะว่าอะไรเพราะมันเหมือนกับมันโดนล้างสมองอ่ะมันก็คอยมีแต่เรื่องพวกนี้อยู่เต็มหูเต็มหัวไปด้วยเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เลยกลายเป็นไปเพิ่มราคาให้กับตัวเองเพราะะนั้นพอมีอย่างนี้เข้าไป คนนี้ก็เลยเออเดี๋ยวเจอคนนั้นเจอคนนี้ก็พลอยจีพลอยเจ้าชู้พลอยอะไรไปด้วยพเพราะนี่แหละนี่ก็คือข้อที่สองนะจะทำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ข้อที่สามทำให้เป็นนักเลงเล่านะก็หมายถึงว่าเป็นพวกที่อะไรอะ่ะเล่านี่คือความเมาทาให้เป็นคนที่หลงหรือว่าเป็นคนที่งมงายนะจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะพวกผู้หญิงก็คือ เออเรื่องหมอดูนะอันดับหนึ่งของผู้หญิงชอบนักชอบหนาะอย่างที่อาจมาเคยบอกกับข่าวมีเยอะเลยว่าผู้หญิงเนี่ยในที่สุดก็เสร็จหมอดูเเยอะต่อเยอะโดนหลอกจนกระทั่งเสียตัวเสียทรัพย์เสียชื่อเสียง อ, อ่บางทีเสียคนไปเลยเสียคนนี่คือบ้านะจนในที่สุดเลยพอั้นแล้ว ระวังให้ดีผู้ที่รักหมอดูทั้งหลายนะแล้วก็แปลกนะเธอไปเหอะไปเหอะไปแจ๋งมากเลยนะ่ะท้ายเป๊ะเลยไม่มีผิดพลาดเลยชอบชวนกันไปด้วยเนี่ยแหละถ้าคบคบเพื่อนประเภทอย่างนี้ก็จะมีนิสัยที่ประจอนรองเท้าไปตามสำนักต่างๆนะสำนักต่างๆคือสำนักหมอดูนั่นเอง แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็จะติดไปด้วยนะข้อที่สี่ทำให้เป็นคนหลอกลวงผู้อื่นด้วยของปลอมทำให้เป็นคนไม่จริงทำให้เป็นคนโกหกมันก็คือพอไปคบนะคบคบ ค, บคนอย่างเงี้ยคนที่แบบว่าอะไรอย่างเช่นนะยกตัวอย่างบางทีเนี่ยเรามีเพื่อนชอบพูดกันเล่นชอบแซวกันเล่นอันเนี้ยที่พูดโกหกกันมากที่สุดเลย โกหกโดยที่ไม่รู้ตัวแต่คิดว่าพูดอย่างนี้เพื่อให้มันสนุกไง อ, อันนี้นะคนเป็นกันเยอะมากแต่เขาไม่คิดว่าเป็นเรื่องโกหกคุยกันอย่างเงี้ยคุยกันอย่างนั้นคุยกันอย่างนี้คือเอาเรื่องที่มาคุยกันแล้วให้มันขำๆให้มันตลกให้มันสนุกเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศเขาชอบใช้คำว่าสร้างบรรยากาศทำให้คนเนี่ยอะไรอะ่ะมีความสุขในชีวิตแต่เล่าเรื่องเนี่ยเรื่องโกหกทั้งนั้นแหละ เรื่องขำขันเรื่องอะไรแบบไม่เป็นสับ ป, ปะรดเลยนะไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยก็เล่าขึ้นมาซึ่งจะให้เห็นเลยพ่แล้วเราก็ติดด้วยอันนี้พอเราติดนะเราก็ไปสร้างบรรยากาศอย่างนี้ต่ออีกเหมือไหร่เพราะนี่ยมันก็มันเป็นโทษภัยที่ทําให้เราเองเราก็เลยกลายเป็นคนติดนิสยัยที่เรียกว่าจะสร้างบรรยากาศให้ค น, นรื่นเริงมันเทิงเนี่ยก็เลยสร้างด้วยธรรมะไม่เป็นแต่ต้องสร้างด้วยเรื่องที่โกหก ตอแล้วเรื่องที่มันไร้สาระอยู่เรื่อยเลยนะมันก็เป็นไปตามที่เราไปคบคนแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นนะข้อที่ห้าทำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้าก็หนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะจากหลอกลวงข้อตะกี้อ่าหลอกลวงนี่ยังเบาหน่อยนะแสดงว่ายังมีความอายอยู่บ้างยังกลัวอยู่บ้างแต่พอ คราวนี้นี่กล้าที่จะโกงซึ่งหน้านี่แสดงว่าหยาบคายขึ้นมากขึ้นนะถ้าไปไปคบคนไม่ดีเนี่ยไปคบคนเลวไปคบคนที่ที่เอาละพื่อง่ายเราไปคบคนหลอกลวงเนี่ยไปครบหลอกเข้ามากๆเข้าหลอกก็เข้ามากๆเข้ามากๆมาๆในที่สุดเนี่ยมันจะกล้าแข็งขึ้นกล้าแข็งนี่คือกล้าโกงเขาซึ่งซึ่งหน้าเลยคราวนี้ถ้ามันหยาบคายมากๆก็แล้วเพราะงัการที่เราไปคบคนที่มีนิสัยเนี่ย ชอบหลอกชอบอะไรมากๆเขาในสุดบ้านปลายคือมันกล้าโกงเขาสุดหน้เอาข้อที่6ทําให้เป็นนักเลงหัวไม้ซึ่งเท่ากับข่าวนี้หมายถึงว่าประเภทไหนละเป็นนักเลงหัวไม้นี่เป็นระดับแบบโจรแล้วเป็นระดับแบบโจรแล้วเนี่ยไปคบคนเร็วมากๆเข้าเนี่ยคือมันไปทําเร็วทีละนิดเที่ยหน่อยนะไอเรื่องโน่นนิดไอเรื่องนี้หน่อยโอหกมั่ง นะข่มขูมั่งหลอกลวงมั่งอะไรมั่งมันสะสมไปเธอเดี๋ยวพอถึงขั้นที่6ก็คือเป็นโจรได้สบายมากนะอันนั้นเป็นเป็นมุมที่ว่าถ้าเราไปคบคนไม่ดีแต่ น, นี้มุมดีบ้างพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ควรครบเป็นมิตรควรเข้าไปนั่งใกล้แม้ถูกขับไล่ก็ตามนะเจข้อท่านบอกบอกว่านี่นะถ้าถ้าเราไปเจอคน เข้อเนี่ยนะเจ็ดเจ็ดอย่างเนี้ยยิ่งใครมีครบทั้งเจ็ดอย่างนี้เลยนะบอกว่าต่อให้เขาด่าเราต่อให้เขาไล่ตะเพิดเราเราก็ยังไงต้องคบเขาเป็นเพื่อนให้ได้ต้องเข้าไปนั่งใกล้ต้องเข้าไปฟังต้องไปอะไรให้ได้นะเพราะว่าคบมิตรอย่างนี้แหละที่จะทําให้เราดีนะก็คือหนึ่ง เป็นผู้ที่เราเนี่ยรักใคร่พอใจนะหนึ่งคืออันนี้มันต้องมีชันทะอยู่แล้วมันต้องเริ่มด้วยด้วยตัวนี้อยู่แล้วนะเป็นคนที่เราเนี่ยรักใคร่พอใจอจะพอใจยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออชอบแหละคนนี้อันนี้นี่เขาไม่จะหมายถึงในเรื่องของการมาราคะอะไรนะแต่ว่าอาจจะชอบว่าเออคนนี้พูดดีเป็นคนพูดดี คนที่มีบุคลิกดีสํารวมดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราชอบ2เป็นที่เคารพนะเป็นที่เคารพนี่มากกว่าระกีนี้แห ล, ละไอระกีนี้เราแค่อาจจะชอบธรรมดานะว่าเอออาจจะหุ่นดีอาจจะหน้าตาดีบุคลิกดีนะเสียงเพราะดีพูดมาแล้วฟังเลื่อนหูดีอันนั้นยังแค่เบื้องตน้นแต่คราวนี้นี่น่าเคารพแล้วสูงขึ้นไปอีกแล้วแสดง พอข้อนี้นี่เริ่มเข้าไปในลักษณะที่ว่าเหมือนกับมีคุณธรรมเหมือนกับเป็นมีศีลอะไรอย่างงี้แหละเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเป็นที่เคารพ 3. เป็นผู้ควรสรรเส ร, ริญโอ้โหคราวนี้ไม่ใช่แค่เคารพนะคราวนี้เป็นผู้ควรสรรเส ร, ริญนี่ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วใช่ไหมแสดงว่าคนนั้นจะต้องมีความดีในระดับที่เรานี่รู้สึกได้เลยว่า โอ้ oh, คนนี่มีผลงานนะมีคนยกย่องมีคนสรรเสริญหรือแม้แต่เราเองเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าคนนี้นี่เราให้ค่าเราให้เกียรตินะเราชมเชยเราขอชมเชยคนนี้เลยนะแสดงว่าคนนี้เอ่อข้อนี้ต้องสูงกว่าข้อก่อนๆมาแล้วนะเป็นผู้ควรสรรเสริญ C เป็นผู้ฉลาดพูดข้อนี้สำคัญนะผู้ที่ฉลาดพูด เพราะปรากฏว่าต่อให้มาอยู่วัดก็ตามแต่ต่อให้มาถือศีลปฏิบัติธรรมก็ตามแต่เหมือนเมื่อกี้ยกตัวอย่างนะนะนะเอาน้าไปให้เขาอะเอาน้าไปให้เขาแล้วก็ออเชิญแม้จริงจริงเชิญคำเดียวก็ไ ม, ไม่ไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะแต่บางทีเสียงเราอาจจะดังไม่น่อยแข็งไม่นิดอะไรอย่างเงี้ยนะหน้าก็ไม่ยิ้ม อาเอาไปกิ น, นะอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่บอกว่าอย่างที่เมกี้นะไม่ใช่เอาไปแดกนะอย่างนั้นมันน่าเกลียดเกินไปนะไออย่างนั้นอาตมาไม่ไม่ถือว่าไม่เพียงแค่ไม่ฉลาดพูดเท่านั้นนะถือว่าหยาบคายด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้เรารู้ว่าฉลาดพูดเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมแล้วอาตมาว่า ในมุมมองของอาตมานะทุกวันนี้พวกเราที่อยู่วัดปฏิบัติธรรมสิ่งที่สร้างปัญหาให้พวกเรามากที่สุดคือไม่ฉลาดพูดอาตมาอยากจะบอกว่าไม่ฉลาดพูดเรามีความจริงใจจริงเรามีความซื่อที่จะพูดอะไรตรงๆเนี่ยจริงนะแต่พอพูดไปแล้วบางทีผลมันไม่เป็นอย่างนั้นผลที่บรรปรากฏออกมาคือไม่พอใจกัน เราให้ขุมทรัพย์กันอย่างเงี้ยซึ่งเราถือว่าเป็นขุมทรัพย์นะแต่ปรากฏว่าขุมทรัพย์นี่มันหนักไปนะบุญหล่นทับนี่มันแบนแต่แต่เลยไอ้ไอ้คนไอ้คนที่โดนบุญหล่นทับเนี่ยนะจนกระทั่งเรียกว่าอึด อ, อัดขัดเคืองใจเพราะฉะนั้นแม้แต่เราจะให้ขุมทรัพย์กันหรือว่าเราปรารถนาดีต่อกันเราก็ต้องฉลาดพูดที่ว่าพูดไปแล้วให้เขารับให้ได้พูดไปแล้วเนี่ยทําให้เขาสามารถที่จะอะไรอะ่ะ เอาเอาเงินทองที่เราให้ทรัพย์เข้าไปเนี่ยเอาคําพูดที่เราพูดให้เข้าไปเนี่ยเขาสามารถเอาไปทําเป็นทรัพย์ของเขาได้นะเอาไปสามารถที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยเป็นประโยชน์กับตัวเขาได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ากลุ่มทรัพย์ถ้าเป็นแบบว่าเป็นทองแท่งอย่างเงี้ยปากรว่าเครี้ยงหัวเขาแตกนะไ อ, อย่างนี้อจะมาว่าแหมเขาคงจะเขาก็รับอยู่เหมือนกันนะ แต่เขาคงจะรับด้วยความรู้สึกที่มันเจ็บปวดมากเลยนะหัวแตกนี่มันก็คงจะเจ็บปวดมากทีเดียวเพราะอันนี้อาตมาคิดว่าจะต้องฉลาดพูดให้ได้ถ้าฉลาดพูดได้แล้วเนี่ยบางทีนะการที่เขาเนี่ยไม่ชอบใจเราไม่พอใจเราถ้าเราฉลาดพูดแล้วสามารถจะคลายเขาด้วยบรรเทาเขาด้วยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าคิดกับเราในกุศลมากขึ้นด้วย ขันความฉลาดผู้สำคัญไม่ต้องอื่นไกลอ่ะแม้แต่สมณะขึ้นเทศก็แล้วก็แล้วแต่เหอะนะถ้าบางทีเนี่ยเทศที่ไม่เป็นที่ศบอารมณ์แม่ครัวก็ตามเทศไปแล้วไม่ศบอารมณ์ตึกขาวก็ตามลงมานี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะสมณะก็สมณะเถอะโอ้โห อ, อ, อะไรนะอ๋อใช้คำว่าถวายการแนะนำเหรอแม่ โอ้พูดซะเพราะเลยนะฟากฏว่าสวายคำแนะนำอื้อเลยโอ้โ ห, โโหลงมาทีอย่างเงี้เพราะฉะนั้นแม้แต่สมณะเทศก็ยังต้องนะต้องดูบา ร, รมีตัวเองนะว่าจะจะจะจะให้คุมทรัพย์ได้ระดับไหนนะโอสวายคำแนะนำนะเออสำนวนนี้เพราะดีนะแต่ก็หวังว่า หวังว่ า, าท่านจะรับไปฉันได้นะไอ้ที่ท่านรับไปฉันไม่ได้ท่านก็คงจะไม่รับลงนะอ้าวข้อที่หกไอใช่ไหมไอข้อที่ห้านะก็คือว่าต้องเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำข้อลกี้นี้คืออะไรฉลาดพูดนะฉลาดพูดดีละเรา คบมิตรที่จะเป็นคนที่ฉลาดพูดในดีแล้วแต่บางคนนี่ฉลาดพูดจริงแต่ไม่ทนไม่ทนต่อการที่พูดคนอื่นได้ไปสังเกตดูนะบางคนเนี่ยช่วยคนอื่นคลายทุกข์ได้คนอื่นมาปรึกษาอะไรเนี่ยให้คำแนะนําได้นะคลายทุกข์ให้เพื่อนได้ชี้จุดบกพร่องชี้อะไรต่างๆให้เพื่อนเนี่ยเอาไปแก้ไขได้อย่างดีเลยแล้วเพื่อนก็มีความสุขจริงแต่พอเวลาตัวเอง โดนที่กลุ่มทรัพมั่งโดนตำหนิบ้างปรากฏว่าไม่อดทนพอคราวนี้ตัวเองต้องไปขอคนอื่นต้องไปขอให้คนอื่นช่วยบ้างเพราะฉะนั้นมิตรที่จะดีแล้วก็มิตรที่จะจะแบบว่าช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างแท้จริงแล้วก็ตัวเองก็จะเอารอดได้ด้วยเนี่ยนะก็จะต้องเป็นคนที่อดทนต่อถ้อยคําได้ด้วยแลนะบางทีอาจจะต้องโดนตาหนิบ้าง เพไม่มีใครหรอกที่จะไม่โดนตําหนิพระเจ้าเองท่านบอกว่าแม้แต่ท่านเองท่านก็ยังต้องโดนตําหนิถ้ า, าต้องโดนนินทาอย่างเงี้ยดีไม่พ้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราเองจะเป็นใครเราก็จะต้องต้อ ง, ต, องต้องเจอเพราะเราจะต้องพร้อมที่จะเป็นคนที่อดทนที่จะฟังถ้อยคําต่างๆเนี่ยได้บางทีไม่ใช่คํำตาหนิหรอกอาจจะเป็นคําสอนเสียดอาจจะเป็นคําอะไรอ่ะ สารเสริญก็ตามแต่นะต้องทนได้ด้วยนะอย่านึกอย่านึกแต่ในมุมโดนตาหนินะโดนสารเสริญก็ต้องอดทนให้ได้ด้วยเพราะถ้าทนไม่ได้จะเป็นยังไงอา่าทนไม่ได้มันจะเหลิงมันจะลอยนะเพะมันจะต้องมีเชือกเอาไว้ด้วยที่จะอดทนให้ได้พอเวลาใครเข้าชมแล้วก็รีบมัดกับขาโต๊ะไว้ก่อนนะอย่าให้มันลอยขึ้นไปชนไปดาน เพราะจะต้องเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำข้อ 6. พูดถ้อยคำลึกซึง้งพูดถ้อยคำลึกซึ้งไม่ได้หมายความว่ายังไง อ, ะอ่ะพูดอะไรที่คนฟังแล้วมันลึกๆอะ่ะคือเขาฟังไม่รู้เรื่องมันลึกไปเขาต้องดำน้ำลงไปฟังนะไอะอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าถ้อยคำลึกซึง้งนะไอะอย่างนั้นมันลึกจนต้องดำน้ำไปฟังเขาก็ คำว่าดำน้าไปฟังก็คือว่ารู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งนะอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าลึกซึ้งเมื่อไม่กี่วันนี้เราอัดละครกันะมีพอดีมีเด็กคนหนึ่งเขามาอัดเสียงเสียงเสียงละครนะนะออพอดีมันมีสำนวนเนี่ยสำนวนเป็นสำนองว่าว่าลึกซึ้งเนี่ยแต่นี้เขาพูดไม่ไม่ชัดเขาก็เลยลึกจึง้ง <c oughs> โอ้พวก พ, พวกเราฟังกันอยู่ก็ขำขำแล้วก็ พูดมาทีไรก็ลึกจริงลึกจริงทุกทีฟังแล้วก็ขำขำดนะีนะนะไม่ใช่ลึกจริงนะเพราะฉะนั้นลึกซึ้งนี่ต้องลึกซึ้งจริงๆิลึกซึ้งนี่ก็หมายความว่ามันต้องดีนะรึกนี่หมายถึงว่าสามารถที่จะขี้คายสามารถที่ขยายสามารถที่จะ อ, อ, อธิบายให้เราเนี่ยฟังแล้วมันเกิดภูมิปัญญาแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีซึ้งนี่ ลึกนี่ก็คือว่าอะไรอ่ะออพิสดารก็คือว่าหมายถึงว่าสามารถที่จะเจาะลึกลงไปได้นะซึ่งนี่หมายถึงว่าเข้าไปประทับตาตึงใจเรานะคือเป็นสิ่งที่ดีงามที่จะทําให้เราเนี่ยแหมอยากจะเก็บเอาไว้อยากจะจําเอาไว้ให้ไปตลอดกาลเลยสําหรับเรานะเพราะฉะนั้น เป็นผู้ที่พูดถ้อยคําลึกซึ้งเนี่ยหมายถึงว่าสามารถที่จะทําให้เราบรรลุทําได้ในที่สุดนี่คือผู้ที่พูดถ้อยคําลึกซึ้งนะหรือว่าเพื่อนคนไหนที่เป็นเพื่อนที่สามารถจะพูดถ้อยคําแล้วทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเราอยากจะเลิกเลยไอ้กิเลส ต, ตัวนี้เนี่ยนะนิสัยขี้โกรธเราเนี่โอ้โหเราอยากจะเลิกเลยฟังคนนี้พูดแล้วนะฟังคนนี้พูดแล้วโอ้ไอเราเคยติดมูสเต้เคยติด อะไรอ่ะบุสเ ต, ตเจนะเออเราเคยติด อ, อไอศครีมเราเคยติดอะไรนะเป็ดเจเอาเราเคยติดอย่างอื่นบางทีแมมพูดแต่เรื่องกินอย่างเดียวนะอาจจะติดเอ่อทีวี <c oughs> พวกนี้ก็เลยพูดแต่เรื่องกินเหมือนกันเอ๊ะฮะ ก็ถูกนมันอยู่ว่ามันตัดไอ้หลายอย่างไปเยอะมันก็เลยเหลือเรื่องกินเป็นส่วนใหญ่อ่านั่นก็หวังว่าเราจะเข้าใจนะว่าคำพูดลึกซึ้งเป็นยังไงอาข้อเจ็ดข้อสุดท้ายนะ mm hmm. เพื่อนที่เราควรจะคบเป็นม mm ิต hmm. รคือก็คือไม่ชักนำในทางที่ไม่ดีโอข้อที่เจ็ดเป็นข้อที่สรุปจบนะมันเป็นข้อที่รวมหมดเลย นะว่าไม่ชักนําในทางที่ไม่ดีหรือพูดภาษาสมัยก็คือพูดภาษาสมัยถ้าเราตัดชำว่าไม่ออกไปซะก็คือชักนําในทางที่ดีนะนี่นี่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนคําความเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อที่เจ็ดเนี่ยเป็นข้อที่สรุปทั้งหมดเพราะว่าข้อนี้เท่ากับว่ารวมแล้วนะรวมเลยเป็นไงอ่ะชักนำในทางในทางที่ดีคืออะไรบ้างอ่ะ อาจะเรื่องการพูดจานะจะเรื่องอาหารการกินจะเรื่องที่อยู่อาศัยจะเรื่องอะไรอย่างๆางนี่ก็แนะนำเราไปหมดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะอะไรอะ่ะบุคลิกภาพการทำงานนะการครบเพื่อนนะการที่เราจะอะไรแม้แต่เวลาเราทุกข์เรามีปัญหาก็สามารถที่จะ ที่คลายปัญหาให้เราด้วยสามารถที่จะแนะนําเราด้วยหรือแม้แต่เราปกติดีเราก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรแต่ก็สามารถที่จะพูดให้เราเนี่ยได้เห็นสัจธรรมได้รู้ความเป็นจริงนะจนกระทั่งสามารถที่จะพูดสามารถที่จะแนะนําเราให้เราเนี่ยลดละกิเลส ข, ของเราจนกระทั่งเราสามารถที่จะเข้าถึงนิพพานได้ในที่สุดวันนี้ก็ ข อ, อยุติสติคุมพระชาดกนะเอาไว้ด้วยแย่คิดที่ว่าให้เรารู้จักคบมิตรีสหายดีนะเพราะว่าสภาพแวดล้อมทั้งหมดน ะ, ะสำนวนเป็นไงนะที่ของเราชายอยู่มิตรีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นอของาศาสนาหรือว่าของพรหมจรรย์หรือว่าของการปฏิบัติธรรม อาข อ, อยุติไว้เท่านี้